กระบวนการที่องค์ประกอบต่างๆซึ่งเกิดสลายและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันประมวลขึ้นนี้ดำเนินไปเรื่อยๆปรากฏภาพและกลายไปต่างๆทั้งนี้จะปรากฏภาพและกลายไปอย่างไรก็สุดแต่องค์ประกอบและความเป็นเหตุปัจจัยแก่กันนั้นนั่นเองเป็นเรื่องที่สำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนในกระบวนการโดยไม่มีตัวตนอะไรอื่นอีกที่จะเข้ามาแทรกแซง หรือทำให้เป็นไปอย่างอื่นได้หมายความว่าไม่มีตัวตนต่างหากจากกระบวนการนั้นไม่ว่าจะในความหมายว่าเป็นตัวแกนภายในที่ยืนยงคงที่ฝืนความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสามารถทำให้เป็นไปโดยลาพังตามปรารถนาของตนได้หรือในความหมายว่าเป็นตัวการภายนอกที่สามารถสร้างสรรค์นดลบัรดาลให้เป็นไปอย่างอื่นโดยไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อองค์ประกอบต่างๆประชุมกันเข้าและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันปรากฏเป็นภาพรวมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งขึ้นมนุษย์มักตั้งชื่อเรียกภาพรวมนั้นเช่นว่าคนมา้าแมวมดรถร้านบ้านนาฬิกาปากกานายกเด็กหญิงขอเป็นต้นแต่ชื่อเหล่านั้นเป็นเพียงคำเรียกขานที่สมมติกันขึ้นใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารสำหรับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เท่านั้นมันหาใช่เป็นสภาวะที่มีอยู่แท้จริงไหมคือมันไม่มีตัวตนอยู่จริงต่างหากจากส่วนประกอบที่มารวมกันเข้านั้นถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหลายออกจากกันก็จะมีเพียงส่วนประกอบแต่ละหน่วยที่มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของมันอยู่แล้วหาตัวตนของภาพรวมที่ตั้งชื่อให้นั้นไม่พบจะชี้ตัวลงไปที่ไหนก็ไม่มี ชื่อที่ตั้งให้แก่ภาพรวมนั้นเป็นตัวตนสมมติที่สร้างขึ้นซ้อนสภาวะที่เป็นจริงซ้อนอยู่ลอยลอยไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงไม่มีอำนาจไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนธา ร, รมที่กำลังเป็นไปอยู่นั้นเลยนอกจากโดยความยึดถือซึ่งความยึดถือนั้นก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งอยู่ในกระบวนธรรเองในเมื่อเป็นเพียงของสมมติและเป็นของซ้อนอยู่ลอยลอย ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มันจะไม่มีอำนาจหรือไม่มีทางที่จะไปบังคับกระบวนธรรมหรือองค์ประกอบใดๆในกระบวนธรรมให้เป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดไ ด, ได้กระบวนธรรมหรือกระบวนแห่งสังขารธรรมก็เป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่ขึ้นต่อตัวตนที่ซ้อนลอยนั้นที่ว่าไม่เป็นไปตามความปรารถนาก็เพราะเมื่อว่าตามความเป็นจริงแล้ว ความปรารถนานั้นก็หาใช่เป็นความปรารถนาของตัวตนไม่แต่เป็นเพียงองค์ประกอบอย่างหนึ่งอยู่ในกระบวนธรรมและเป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวให้สําเร็จกิจมันจะให้สําเร็จผลได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นตัวผลักดันให้เกิดปัจจัยขั้นต่อไปคือการลงมือทํำหรือปฏิบัติการซึ่งก็คือเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั่นเอง การที่จะมีตัวตนซ้อนลอยเป็นตัวตนจริงๆอยู่ต่างหากย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็นไปได้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะตัวคงที่ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นขวางขืนกระแสอยู่พาให้องค์ประกอบต่างๆเรรวนไปหมดไม่เป็นกระบวนการยิ่งกว่านั้นตัวตนซ้อนนั้นก็กลายเป็นตัวการพิเศษ ซึ่งอาจจะขัดขวางแทรกแซงและบิดผันทำทั้งหลายให้เป็นไปอย่างอื่นจากความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอีกด้วยแต่ความเป็นไปที่แท้จริงก็คือสังขารธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นตัวตนต่างหากจากกระบวนธรรจึงไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกระบวนํารนั้นก็ตามจะมีได้ก็แต่ตัวตนสมมติที่จะพึงรู้จักใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ถ้ามิฉะนั้นหากไม่มีปัญญารู้เข้าใจมันก็คือตัวแปลกปลอมที่คอยบีบคั้นบังคับและหลอกคนให้หลงก่อโทษทุกข์ภัยหลากหลายนานาเมื่อส่วนประกอบทั้งหลายรวมกันเข้าปรากฏรูปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีการบัญญัติเรียกชื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันยอมรับกันโดยสมมติเมื่ อ, องค์ประกอบทั้งหลายพร้อมอยู่ปัจจัยต่างๆค้ำจุนหล่อเลี้ยงอํานวย ก็คงรูปร่างหรือคงสภาพอยู่สมตามที่สมมติเป็นตัวตนอย่างนั้นแต่เมื่อใดองค์ประกอบทั้งหลายแยกพรากจากกันหรือปัจจัยแวดล้อมไม่เกื้อกูลสภาพตัวตนนั้นก็หายไปเหมือนดังเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งน้ําแข็งก็ละลายตัวตนที่ชื่อว่าน้ําแข็งหายไปเหลืออยู่แต่น้าเหลวเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง โดยสัมพันธ์กับความกดอากาศน้ำเหลวก็ระเหยกลายเป็นไอ้น้ำสภาพตัวตนของน้ำเหลวก็สิ้นไปหรือเมื่อกระดาษถูกเผาไฟไหม้หมดแล้วเหลือแต่ฝุ่นเท่าไฟก็หาตัวตนที่จะเรียกว่ากระดาษไม่ได้อีกต่อไปความหมายของอนัตตาที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าสัมพันธ์กัน เป็นไปตามเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากตัวตนที่เป็นแกนอันยืนยงคงตัวปราศจากตัวการที่สร้างสารรค์บรรดา น, นี้เป็นความหมายพื้นฐานที่อาจจะอ้างความในคำพีมาช่วยเสริมความเข้าใจได้หลายแห่งเช่นพระบาลีในมหาหัตถปทปมสูตรมัชมนิกยมูลปันนาว่าอาศัยเครื่องไม้เถาเชือกดินฉาบได้ย่ามุง มีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเรือนฉันใดอาศัยกระดูกเส้นเอ็นเนื้อหนังมีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวคนฉันนั้นในวัชิราสูตรสังยุตติกายสากาทวรกวันหนึ่งพระวัชิราภิกษุณีกลับจากบินดาบาตแล้วเข้าไปยังป่านั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่ง มานเห็นดังนั้นก็คิดจะแกล้งให้กลัวและเคลื่อนจากสมาธิมานจึงถามพระวชิราภิกษุณีว่าสัตว์นี้ตัวบุคคล น, นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนพระวชิราภิษุณีตอบว่านี่นมานท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์เป็นตัวบุคคลท่านมีความเห็นอย่างนั้นหรือ นี้คือกองแห่งสังขารนลล้วนจะหาตัวสัตว์ในนี้ไม่ได้เลยเพราะประชุมส่วนประกอบเข้าด้วยกันย่อมมีศัพท์เรียกว่ารถฉันใดเมื่อขันคือกองแห่งรูปธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหลายมีอยู่ก็มีสมมติเรียกว่าสัตว์ชั้นนั้นแท้จริงทุกอันได้แก่สภาพไม่คงตัวเท่านั้นเกิดมีและทุก์ก็ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกไม่มีอะไรดับเมื่อได้ยินอย่างนั้นมานก็เสียใจว่าว่าีราภิสุณีนี้รู้จักเราแล้วจึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองอีกครั้งหนึ่งในเสลาสูตรคำพีเดียวกันมานก็เข้าไปแกล้งพระเสลาภิสุณีแบบเดิมคือให้กลัวและเคลื่อนจากสมาธิด้วยคำถามว่าร่างนี้ใครสร้าง ผู้สร้างร่างอยู่ที่ไหนร่างเกิดที่ไหนร่างดับที่ไหนพระเศลาภิกษุณีตอบว่าร่างนี้ไม่มีใครสร้างตัวนี้ไม่มีใครบรนดาลอาศัยเหตุมันก็เกิดมีเพราะเหตุสลายมันก็ดับเม็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาหว่านในนาอาศัยรสในแผ่นดินและอย่างในเมล็ดพืชทั้งสองอย่างนี้ก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันประดาขันาธาตุทั้งหลายและอาณาจักทั้งหกเหล่านี้อาศัยเหตุย่อมเกิดมีเพราะเหตุสลายก็ย่อมดับไปช้างม้าเหล่าทหารและยานรบทั้งหลายรวมๆเข้าด้วยกันก็เรียกว่ากองทัพตึกรามบ้านเรือนผู้คนและกิจการต่างๆมากหลายชุมนุมกันอยู่ก็เรียกว่าเมืองมือกับนิ้ว รวบเข้าด้วยกันในท่าหนึง่งเขาเรียกว่ากำปั้นหรือมัดกำปั้นหรือมัดไม่มีอยู่จริงมีแต่มือและนิ้วมือและนิ้วเมื่อแยกส่วนประกอบย่อยๆออกไปก็ไม่มีเช่นเดียวกันวิเคราะห์กระจายส่วนออกไปได้ด้วยลำดับจนหาตัวตนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้พระสูตรทั้งหลายมากมายแสดงแต่เรื่องนามรูปหรือนามธรรมาและรูปธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์หรือบุคคลเลย